วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันปฏิโมกตรงกับวันที่สองวันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคม พ, พุทธศักราช2554เป็นวันเดือนห้าดับแรม14ค่ำเดือนห้าเป็นวันอุโบสถสวดพระปฏิโมก จบลงสักครู่นี้ในวันพระในวันปฏิโมกข์เช่นนี้ท่านให้พูดกันเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับวิ น, นัยเกี่ยวกับการเป็นอยู่วันนั้นเมื่อกี้นี่ผมก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบการเป็นอยู่พี่น้องประชาชนชาติไทยญาติโยมทุกระดับเข้ามาเกี่ยวข้องวัดเรา ขอให้พระในวัดของเราอยู่ในกฎระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ต้องจำรวมต้องระวังใครสูบบุหรี่ในที่สาธารณะบอกต้องรู้จักกาละเทศะผมไปพักวัดบวร เมื่อในเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชยังแข็งแรงท่านลงอุโบสถผมเขาได้ไปร่วมอุโบสถกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าวัดบวรคนมามากเราจะเดินออกมาจากกุฏิต้องคลองผ้าซะก่อนอ่าใ น, นผมได้ยินต้องคลองผ้าเดินออกมาเพราะคนมันมาก ต้องดูไม่เหมือนตะกอนตะกอนเป็นคนไม่มากขนาดนี้แต่เนี้ยมันเดินเข้ามาผ่านคนผ่านเข้ามาได้มากเวลาจะออกจากกุฏิให้เดินให้คลองผ้าสกอนแล้วก็เวลาพระบวชใหม่เข้ามาอยู่ที่กุฏิมาอยู่พักที่กุฏิให้พระรุนพี่ต้องดูอันไหนประเคนได้อันไหนประเคนไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ได้นะรับประเคียนไปหมดเดี๋ยวกองวิัย์ในรับประเคียนนมรับประเคียนขนมตอนเย็นตอนเช้าเข้าขมาฉันดูนะพระผ้าเก่านะแล้วกัการสูบบุหรี่ในท่านค็ไป่ไดห้ามทีเดียวท่านก็บอกเพราะมันเป็นมันมาตั้งแต่ดึกตําบรรณการบุหรี่หมากบุหรี่เนี่ยแต่มาถึงทุกนี้สมัยนี้เนี่ย เขาเข้มงวดขวดขันเราก็ต้องปฏิบัติตามตามยุคตามสมัยท่านบอกว่าถ้าจะสูบบุหรีก็ให้สูบที่กุฏิของตนเองอย่ามาสูบในเดินกลางถนนมาสกไม่ใช่เดินออกมาแล้วก็สูบสาธารณะในที่สาธารณะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันดูแลไม่งาม ยุคนี้สมัยนี้เขาเริ่มเข้มงวดขวดขานแล้วพระที่อยู่ข้างในอยู่เบื้องในต้องระมัดระวังแต่ขนาดเขาเขายังไม่สู่บุรีให้เห็นแต่พระในวัดของเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้นะอันนี้บอกให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามทีเดียวแต่ว่าให้รู้จักกาละเทศาบุคคล นี่แหละการเป็นอยู่เราอยู่ในชุมชนไม่ใช่ว่าตามใจชอบตามอำเภอใจตามมัทาใจถ้าอยากจะอยทําตามมัทษาใจไม่ควรจะอยู่ในที่ชุมชนแห่งนี้ไม่ควรจะอยู่ในวัดแห่งนี้เพราะวัดแห่งนี้มันมีคนมากมันมีคนหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะเออผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเหตุว่าผมปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ ผมอยากจะสูบบุหรี่ตามอำเภอใจตามมัธยาใจอย่างเนี้ยเราก็ไปอยู่วัดเล็กวัดน้อยที่ไหนก็ได้อย่าไปสูบตั้งอกตั้งใจสูบมเลยบุหรี่นะไม่มีใครห้ามไม่มีใครว่าอะไรแต่อยู่ที่วัดของเราเนียต้องระวังต้องสำรวมต้องดูสิ่งแวดล้อมต้องให้สังเกต ต้องระมัดระวังสิ่งควรไม่ควรการะเทสาบุคคลอันนี้ขอฝากบอกพวกท่านทั้งหลายนะไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตามถ้าพวกท่านปฏิบัติอย่างนี้ละ่ะพวกท่านจะผาสุกแต่ถ้าพวกท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้พวกท่านก็อย่างวานะจะต้องได้รับการกระทบกระเทือนไม่รู้จักกาลเทสาบุคคลนี่แหละอันนี้ก็ให้สำรวมระวังแต่ถึงจะไง ผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องผมได้ยินวันงานวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะท่านนท่านชูกับท่านศินออกไปข้างนอกนู่นไปฉันอยู่ข้างนอกนอกวัดนะขนาดไม่เท่าไหร่มันมีแล้วนะผมได้ยินวัด ครูบาอาจารย์ผมได้ยินนะผมยังไม่สบายใจทําไมจะมาเกิดที่วัดของเราพวกท่านชอบอย่างนั้นใช่ไหมถ้าพวกท่านชอบอย่างนั้นต้องออกไปจากวัดของของเราผมไม่ได้ถือว่าสิ่งภายนอกนั้นสาคัญวกว่ากว่ากิจจะวัดข้อวัดกฎระเบียบของวัดการมาฉันต้องมาฉันร่วมกันจะต้องได้ดู มาแลมาจัดการอเรื่องจัดรถจัดลานเป็นหน้าที่ของจราจรเท่าที่เขาจะทําได้เราไม่ต้องไปยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งให้ท่านเป็นจราจรอพวกท่านทั้งหลายเป็นจราจรไม่ใช่มีแต่เป็นแนะนําเขาตนเองบอกให้เขาจัดยังไงที่พักรถยังไงที่ไหนอย่างไรที่จอดรถอย่างไรแล้วก็บอกบอกบอกให้เขาจะทําแผนที่ให้เขาซะอะจากนั้นเราก็มา ดูข้างในเท่าที่มันมีเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูแลทุกอย่างเธอเลอร์ทาล่าอยู่เนะี่ช้ซายชี้ขวาเหมือนกับบ้าอยู่กลางถนนผมไม่อยากจะให้พระผมพระในวัดของเราเป็นอย่างนั้นต้องมีมีมีมารยาทปฏิบัติได้เท่าที่จะปฏิบัติเรื่องภายนอกแต่กิจจะวัดขวาวัดภายในของเราเนี่ย ควรจะให้เข้มงวดกวดขันตรวจตราดูกันพระใหม่พระเก่าไม่ใช่ว่าจะให้พระเก่าออกไปนอกรูนอกทางจะฉันที่ไหนก็ฉันถ้าหาว่าพวกท่านเป็นเนจ้าอาวาสละ่ะอย่างผมนะ่ะลูกน้องไปฉันทั้งนอกแต่กระจุยกระจายนะ่ะพวกท่านมีความเห็นอย่างไรพวกท่านพอใจไหมพวกท่านยินดีไหมจะให้เป็นอย่างนั้น ผมเลยไม่สบายใจถ้าว่าเป็นอย่างนั้นผมก็จะไม่ทําอีกต่างหากสิ่งไหนที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะหนักใจที่ท่านจะตําหนิ่ผมจะไม่ทําเวลาทําไปแล้วนะมันเคยชินมันแก้ยากเพราะไปตามลำเตามอาเภอใจอย่างนั้นเอ่อเป็นฉันตามอาเภอใจคุยตามอาเภอใจพ้นออกหนีจากครูบาอาจารย์ แต่อยากจะอยากจะได้พึ่งบุญบารมีหรือพึ่งพึ่งว่ามาอยู่ที่วัดป่าคนาคำน้อยแต่นู่นการกระทาออกไปข้างนอกดูดูแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องนะพวกท่านทั้งหลายอย่าทานะต่อไปนะใครเป็นคนทำบอกเราถ้าเราเตือนขนาดนี้ยังเห็นอีกอยู่เราจะไล่หนีออกจากวัดเราจะไม่ให้อยู่ไปหาฉันที่อื่นตามสบายตามจะทาอะไรก็ทาได้ แต่ที่อยู่ที่วัดเรานี่ต้องอยู่ในกฎระเบียบผมยังไม่แก่ไม่แก่ที่จะดูแลไม่ได้ผมยังดูแลได้อยู่ผมจะต้องถือกฎนี้แล้วใครถือกฎนี้เป็นตลอดไปถึงจะเข้าแก่ขนาดไหนก็ต้องถือกฎนี้อย่าไปทะเลถลายอย่าไปแตกอย่าไปแหวกแนวอย่าไปฉันที่อื่นถ้าออกไปแล้วข้างนอกแล้ว น, ะนู่นอยากจะตำสมละก อ, อยากจะสันก๋วยเตี๋ยวอยากจะสันไอศครีมสั่งเข้ามา มาอยู่มากินมันพราออกนอกโูนอกทางนั่นนะบวชเข้ามาอะไรบวชเข้ามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนั้นใช่ไหมมาเลี้ยงกิเลสตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมต่อไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นพวกนั้นผมไม่ต้องการอยากจะให้หมู่พเพื่อนเป็นอย่างนั้นให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยพวกท่านเข้ามาเพื่อการศึกษาไม่ใช่มาเสาะแสวงหา ลาบายตในวัดของผมอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดว่าสแสวงหาลาบยศนะเราเข้ามาเพื่อการศึกษาก็ได้ศึกษามีวิชาความรู้แล้วนู่นออกไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่ปฏิปพฤติปฏิบัติภายนอกเอ้าอยู่อยู่ในขอบขอบเขตของศีลธรรมตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็พ้นทุกได้ ถ้าอยู่ในธรรมวินัยต้ง อ, อกตั้งใจภาวนาสถานที่วัดของเรานี่สับปลายะผมผูดอย่างนั้นได้พวกท่านทางงหลจะหลบปลีกปีกตัวอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะที่วัดของเรากว้างขวางเราจะไปภาวนาที่ไหนก็ไปได้อยู่ได้เพราะที่วัดของเรากว้างปีกตัวได้ชอบอยู่ในที่โล่งและชุชอบอยู่ในที่ มืดค้มเลือกเอาได้ป่าดงพงไของเรามีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่กับผมพูดทางนี้ทางนั้น่ะผมไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้มาสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนให้สวัสดิหาลาบยศจารเสนสุขกิเลสภายนอกต้องการอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนสวัสดิสหาธรรมเข้าสู่จิตใจภายใน มีสมาธิธรรมมีปัญญา ร, รมการกรองไตรต้องเหตุและผลจากนั้นชำระกิเลสในจิตในใจออกไปผมบอกแล้วสอนแล้วสติสัมปชัญญะสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะเปิดเข้าไปสู่มรรสู่ผลได้ต้องสติในเมื่อสติดีแล้วเราฝึกหัดสติดีแล้วสมาธิมันก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดจิตใจมั่นคงพอสมควรแล้ว พิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาก็เดินไปได้จากนั้นใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นได้ยังไงทุกวันนี้เป็นยังไงแต่ก่อนผมก็ยังหนุ่มน้อยแต่ทุกวันเห็นไหมมันแก่เท่าชราไปเรื่อยๆจะไม่อว่าอนิจจังจะว่าอะไรแล้วอีกจะอยู่ไปอีกกี่ปีแล้วถึ ไม่มีใครทำนายตัวเองก็ทำนายไม่ได้อีกเหมือนกันว่าะจะอยู่ก็อีกกี่ปียืมวันอยู่ยืมเวลาอยู่เท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินรื่น เ, นเริ ง, รงต้องการอะไรในโลกนึต้องการลาบใช่ไหมยังไม่พอใช่ไหมต้องการอะไรอีกต้องการยศใช่ไหมยศอะไรอีกต้องการให้คนยกย่องสรรเสริญใช่ไหมเขาสเสรินสรเสริญอะไรอีก ต้องการสุขสุขอะไรอีกกินอิ่มเข้าไปกินอาหารดิบๆเข้าไปก็ไปทายใส่ซ่วมทําไม่ทายเป็นอย่างไงอะไรคือความสุขสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราค้นหาข้นหาค้นคิดต้องการอะไรจะใรรไรจรของเราต้องการอะไรจุดประสงค์ของเราต้องการอะไรเรามีความมุ่งหวังอะไร ถ้าเรามุ่งหวังโลกเราจะอยู่ธรรมะอยู่ไปทําไมถ้าเราอยู่ต้องหง่ว ง, งหวังทางโลกเราจะอยู่เป็นพระทํำไมเราไปอยู่ชังกระตายทําไมเราทําไมอดูอยู่ทางหนึ่งใจคิดไปทางหนึ่งถ้าอยู่กับธรรมอยู่กับพระต้องก็มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาค้นคว้าจากนั้นนํามาประพฤติปฏิบัติจะทํำยังไงใจของเราจึงจะพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนี่พวกเราให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กลางคืนท่านเปิดอยู่แล้ว ให้ฟังทุกวันอยู่แล้วเสียงชัดเจนอยู่แล้วชัดแจ๋วอยู่แล้วเพราะนั้นผมจึงไม่ได้เปิดธรรมเทศนาขององค์ลุงตาให้ฟังแต่ก่อนผมเปิดทุกวันพระแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้เปิดผมก็พูดเองเพราะเหตุไรผมไม่ได้ขาดตกบกพ่องธรรมะที่กลางคืนเปิดฟังวิทยุผมแจกให้แล้วแต่อย่าไปฟังเพลงฟังลันะถ้าฟังเพลงฟังเราผมไม่รับบาปกรรมที่ฟังเพลงฟังลัมนะ ตกนรกหมกไหมนะเเรามาปฏิบัติธรรมเลยไปหาฟังเพลงฟังลัมนะไม่ใช่เรื่องนะอย่าทํานะอย่างนั้นต้องฟังธรรมเทศนาผมแจกให้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาเพื่อให้เป็นคติเป็นตัวอย่างเพราะผมบวชผมประยุกองค์หลวงตาเป็นเวลาสิบสี่ปีที่ท่านอบรมวันนี้ยธรรมะที่พวกท่านทั้งหลายฟังทุกวันทุกคืนนี่แหละไม่หนีจากตัวนี้เนี่ยเพราะเขาอาจมา ธรรมเทศนาอาจมาจากคราวนั้นล่ะมาเปิดแล้วมาเปิดอีกหลําแล้วหลําอีกในธรรมเทศนาชุดนั้นแะแต่ฟังเมื่อไหร่ก็ทันสมัยเมื่อนั้นเพราะเรายังประพฤติธปฏิบัติไม่ได้เราก็พยายามตะเกียกตะกายฟังครั้งนี้บังฟังครั้งหน้าบังตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังด้วยความตั้งใจผมคิดว่ามันมีช่องมีทางที่จะพ้นทุก์ ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เหลือวิสัยพูดอย่างนั้นได้ถ้าพวกเราปฏิบัติตามเป็นเสียทหารหลังให้นู่นไปฟังในสิ่งไม่อยากจะให้ฟังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ศึกษาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทางที่มาศึกษาครับธรรมเทศนาหรือสายหลวงปู่มั่นไปฟังองค์อื่นเรื่องตือศรีชีพยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปฟังองค์อื่น ไม่ได้ศึกษาสายหลวงปู่มันหลวงตาบ้านตาดถ้าเป็นอย่างนั้นคือมาแล้วไม่ใช่หนทางนะพวกท่านทั้งหลายนะมาอยู่ในวัดของผมก็เหมือนกับเรียงข้างบางชนีก็รอกกระแตนะ่ะเพียงแต่ว่ามาอยู่ที่วัดหลวงพ่ออินเท่านั้นแต่ใจมันไม่ได้อยู่ใจไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้ขัดด้วยเกล้าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาเหมือนกับมาอยู่อยู่อย่างนั้น่ะ ดูวัดของหอลวงพ่ออินอย่างนั้นเหมือนกระรอกกระแตนะพวกเราภูมิใจไหมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานะที่พูดให้ฟังทั้งนั้นทั้งนี้น่นนะเตือนนะให้พวกเรานะมีสตินะสัมปชัญญะนะให้ศึกษานะแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านพ้นทุกมาแล้วทำคําสอนของท่านเราศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุงกายใจของเราผมว่าพวกเราจะถึงหลักชัยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งคือมรรคผลนิพพานนะวันนี้ก็พูด เ, เพียงเท่านี้ก่อนเอาตอนนี้ไปสุดท้าย ป, ปฏิโมกแต่เรื่องยังไงก็ตามนะเรื่องกฎระเบียบนะการอยู่การชันนะผมก็ได้ยินอยู่วัดครูบายอาจารย์อย่างที่พวกเราเห็นนะเป็นยังไงแต่ทุกนี้ก็ยังแก้ไม่ตก จะให้มาเกิดในวัดเราอีกนะไม่ได้นะถ้าเห็นใครเห็นบอกมาเลยน ะ, ะฉันทุบทุจิบจบกูเหมือนกันใครทำอย่างนั้นออกจากวัดนี้วัดนี้เป็นวัดฉันมือเดียวทูดงขวัดท่านั่นแหะถ้าว่าไม่ได้อยู่ในกรอบนี้ออกไปอย่าไปอยู่ที่วัดอื่นเขาเปิดรับอยู่แล้วแต่วัดของเราเนี่ยต้องเข้มงวดกวดขัน ไม่มีนอกไม่มีในเไม่มีคําว่ารูปโนบหน้าผากจมูกเ อ, อว่าฉันมือเดียวแต่เก็บนู้นเก็บนี้ไปฉันไม่ได้นะ อ, อไม่เหมือนวัดอื่นๆนะวัดของเรานะเพราะอดก็คืออดฉันก็คือฉันปฏิบัติก็คือปฏิบัติผมอายุหกสิบกว่าเห็นไหมผมมีอะไรนอกเหนือจากหมู่ไปมีอะไรผมก็ฉันมือเดียวเหมือนกับหมูนะั่นแหละ เรื่องขาดตกุบข้องไหมอาหารทุกวัน ม, มีอะไรขาดตกที่ไม่พอฉันมันขาดอะไรผมคิดว่ามันสมบูรณ์บริบูรณ์ล้นหลามพอแรงแล้วเรื่องอาหารการบริโภคมีแต่มันจะเหลือเฟือเกินไปสําหรับผ้าน้อยผานุหลวงตาเห็นผ้าน้อยผานุม่มฉันนมเนไม่ได้นะท่านตาเขี้ยวเฉยเลยล่ะผมนี่ฉันไม่ได้สมัยนะั้นเพราอยู่นั่งเรียงแถวท่าน ท่านเห็นพระฉันนมนนไม่ได้ดวงตานี่มันการเป็นการเสริมกิเลสเราน่ยแต่ไม่ได้เราต้องระวังสมั ย, น, ย, ย, น, ย น, มนั้นไข่หนึ่งนมหนึ่งเราจะไม่เราจะไม่ฉันเพราะนั้นเราเห็นแล้วมันเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เพียงแต่บอกกล่าวตนเองผมจะไม่ห้ามนะแต่ถึงยังไงไม่บอกเสลยก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จักสังเกตเพราะมันโง่มันเชื่อไป แต่พูดพูดขนาดนี้มันก็ยังอดันทุลังไปชั้นถู่ผลให้สูกออกมาไว้ใจไม่สงบใจมันร้อนกิเลสกามมารคะมันเกิดขึ้นมามันเกิดกา ม, มากิเลสมันเกิดเกิดแลยสิมันไปส่งเสริมมันจะไม่เกิดได้อย่างไรนะปล่อยปะละเลยะละช้างช้างพีพีคืออ้วนนะปล่อยให้ช้างกิน ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวค็อช้ามันก็ตกมันเองนะนี่ก็เหมือนกันพวกเราไม่ละมัดระวังตัวเองใครจะไปละมัดระวังช่วยนะเพราะนั้นฝากไว้นะบอกไว้นะแนะนำไว้นะบอกกล่าวไว้นะให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาน ะ, ะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก